แล้วก็ขออนุโมทนาสำหรับเราเนะี่ยหลังจากนี้ก็ศึกษาต่อในพระสุตตันตปิทกในทีขณิากายปาทิขาวะในสังคีตสูตร คั้งที่แล้วก็เลยพูดในเรื่องของขึ้นหมวดสามแล้ทีนี้ก็มาต่อในเรื่องของตัณหาสามกามาตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาแล้วก็กามาตัณหารูปตัณหาอารูปตัณหาแล้วก็รูปตัณหาอารูปตัณหาก็นิโรธาปัญหาสามหมวดใหญ่เลยนีย ในการศึกษ า, าในเรื่องของปัญหาสามเนี่ยมีการมะตปัญหาเป็นต้นได้แก่ราคาอันประกตอบด้วยเบญยสธรรมคุณคือความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นในลักษณะของการมาาัตนาโดยในปัญหาทั้งสามประการเนี่ยทั้งที่แล้วได้ อธิบายมาพอสมควรนะฉันบอกว่าความอยากในการความอยากได้การมคุณหรือสิ่งสนองความต้องการทางภาษาทางข้าคือทงางตาหูจมูกลิ้นกายการนั้นเป็นการมมัจนาส่วนภาวะตัณหาในีความอยากในพบความอยากในภาวะของตัวตวทนที่จะได้จะเป็นอย่างใดอย่างหนึง่ง ความไข่ที่ประกอบด้วยภาวะทิฐิหรือความอยากที่ประกอบด้วยศัสท์าธทิฐิที่เห็นว่าเที่ยงส่วนวิภาวะตัณหาความอยากในวิภพความอยากในความพัดพ้นไปจากตัวตนเป็นต้นนี่ยอันนี้เป็นความอยากที่เกิดพร้อมกับอุเชะธิฏฐิฉะนั้นในตัณหาทั้งสามประการเนี่ย ความไข่ความติดใจความยินดีความค้อยไปหาความเพลิดเพลินลักษณะอย่างนั้นเขาเรียกเป็นเป็นลักษณะของตัณหาตัณหาเนี่ก็แปลว่าความยายานอยากหรือบางศัพท์ก็แปลว่าความยายานความอยากความเสหนหาความรนเป็นต้นเหล่านี้ความกระสับกระส่ายตะวนกระวายไม่รู้จังอินเนี่ยลักษณะอย่างนี้เป็นลักษณะของตัณหา ตามหลักของปัจจัยาการเนี่ยตามหลักของปัจจัยสมุปบาทเนี่ยตัณหาเกิดจากเวทนาเป็นปจัจจัเวลาเราสาธยายเป็นเขาวอกเวทนาปัจจัยตัณหาไะนั้นตัณหานั้นจะมีเวทนาเป็นปจัจจแล้วก็มีอวิชชาเป็นมูลเมื่อบุคคลได้รับอา ร, รมณ์อย่งางใดอย่างหนึ่งที่น่าชอบใจน่าใค่าน่าเพลิดเพลินนะั่นเห็นรูปรสวยๆหรือหน้ า, าเกียที่ยืนเสียงที่ไถลเลาะเป็นต้นเหล่านี้ แล้วก็เกิดความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยในเวลานั้นตัญหาก็จะเกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งถ้ารู้สึกสุขก็ชอบการติดใจถ้ารู้สึกทุกข์ก็ยินร้ายขัดใจชังอยากจะหนีอย่างนี้เป็นต้นลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นลักษณะของตัญหาฉะนั้นปัญหาเนี่ยผูกพันมีเวทนานั้นเป็นปัจจัยทีนี้ท่านก็แยกเป็นตัญหาบทก็ได้ เป็นรูปปัญหาสัพทัศัญหาคัทาานทตัญหาและสัพตัญหาปโตรพาัญหาแล้วัตธรรมตัณฑ์ในลักษณะของตัญหาเหล่า น, นี้ก็มีมีเวทนาในตันเองเป็นเป็นตัณฑ์สว่วนอีกประการหนึ่งในตัญหาสูตรในอิถูวุระการพระพุทธเจ้าจำแนกปัญหาไว้บอกว่าทั้งสามประการนั้นที่ได้กล่าว เราบอกว่าพิสุดทั้งหลายตัณหาทั้งสาประการนั้นคือการ ม, มาตณาัตณหาภวตตัณหาวิภวตตัณหาชนทั้งหลายผูกพันด้วยเครื่องผูกคือตัณหามีจิตอินดีในพบและอับพบ พ, พวกเขาผัวพันด้วยเครื่องผูกของมาไม่มีความรู้รุ่งโปร่งใจเป็นสัตรูสู่สงสารวัตถึงความเกิดและความตายชนเหล่าใดากําจัดตัณหาได้แล้วเป็นผู้ปร า, าศจากตัณหาและพบมรรู้สิ้นอสวรรคชนเหล่านั้นเป็นผู้ถึงฝั่ง ในโลกก็แปลว่าถ้าตราบใดยังมีตัณหานะเป็นตัวขับเคลื่อนอยู่สภาพของตัณหาก็จะเป็นปัใจจัยให้สัตว์ทั้งหลายนั้นนะเป็นไปตามกระแสตัณหาบางอย่างมันก็เรียกกระแสฉะนั้นความติดใจในราคะที่ประกอบที่เป็นยาธรรมคุณนะนั้นก็เป็นกรรมของตัณหา ส่วราคะในรูปประคบกับรูปประคบจะเป็นฌานที่กันติความปิดใจในฌานราคะที่ประกอบด้วยศัตรทิฏฐิอันนั้นเป็นภาวะต่างหากเพ อ, อย่างที่ในะคนที่ได้ฌานสมาบัติไม่ว่าจะได้ประทมื่อฌานทุติยฌานตุติยฌา น, า น, านหรือได้อรูปฌานอย่างใดอย่างอยู่งศักด์โลกเหล่านั้นก็จะยินดีพอใจสิดใจในฌานเหล่านั้นที่ตนเองได้ย แค่นั้นความยินดีความพอใจความเพลิดเพลินในองค์ฌานที่ตนวเองเดได้อันนั้นเป็นเป็นภาวะกัณหามีามีพอใจในทุกนะครับว่าภาวะเนี่ยเป็นชื่อของของทุรูปตัวทุกรูปตัวทให้สังเกตดูว่าพวกที่ใจ้ประตมันจะหนักฌานเพเอ่เอนเราเนี่ย นอกจากเขาจะยินดีพอใจในพบแล้วเขาก็ยังยึดว่าภพเหล่านั้นเที่ยงเมื่อเป็นยึนดมัน่นหรือมัน่นตับภพเหล่านั้นเที่ยงแล้วก็ยินดีพอใจด้วยอันนี้เลยการเป็นเพราะว่าตะหนส่วนราคาที่ประกอบเ้็นอุเฉ้าทิพถิเป็นยังไงคือความเห็นว่าขาดศูนย์เช่นในคนมางคนเนี่ยนะมีความปรารถนามีความต้องการมีความอยาก ได้มากแต่มีความเห็นว่าตัวเนี่ยเรารยากจะทําอะไรทํำสิพอถ้าตายไปแล้วมันก็ขานแล้วไม่มีาการเกิดขึ้นสืบต่อไปอีกแล้วนี่ <S <S นั้นเขาก็รอดได้อย่าง <S <S เป็นที่เลยไอความรู้สึกในลักษณะนี้เป็นวิภวตนะพระพุวธเจ้าเป็นสอนไวน้ในธรรมจักกะปวัจนสูตรกับกลางมัตนาวิภวตนะมีภวตนาอันนี้เป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดขึ ยกเว้นตัณหาสองอย่างหลังคือภาวะตัณหาวิภาวะัณหาที่เหลือชื่อว่ากรรมมตนาจะแยกกันพระพุทธเจ้าปราบเราบรรดาตัณหาเหล่านั้นภาวะตัณหาคือาคาะอะไรก็บบววคือราคาที่ประกอบ ก, อบกอับศัพทิทธบามกําหนัดจากราคาเป็นต้นั้เนี่ส่วนวิภาวะตัณหาคือราคาที่ประกอบไปอุเฉทิทีอนั้นก็ไปทำตามกันส่วนตัณหาที่เหลือก็เป็นกรรมมตนา ก็คือตัณหาที่ยินดีพอใจในเบญญากรรมคุณยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสเป็นต้นเันนียฉันกระลาค้าในรูปภพวัฏวิบวชชื่อว่ารูปตัณหาและอรู ป, ปัจาหาฉันกระาค้านี้คือความยินดีความเพลิดเพลินความติดใจในรูปภพรูปภพนี้ทั้งหมดอยู่สิบสิบหกปูมถึงสิบสิบหกปูมนี่ก็เริ่มในเบญจโกต ะ, ะ ม, าามัจจารคูมสามเป็นต้นไป โปะถ้าไล่เป็นปูมไปมันมีอะไรบ้างกรรมมะปริสัชชากรมมะปรโยธิตามหาสงนี่รับปริตาภาอปมาณาภาอภัสราปริจตสุภาอปมาณาสุภาสุปกิชาอวหยาภลาอาศญนยสตาด้วยแล้วก็อวิหาตาาสุทัสสาสุทัสสีอคการิขาเนี่ยอันนี้ก็รูปปรก ในรูปภพนี้ก็อันนี้ก็ก็ศาสตรหญ่ยโอกาสจะไปเกิดนั่นน้อยต้องได้ฌานคนที่จะไปเกิดเป็นรูปงค์ได้ก็คือคือท่านเหล่านั้นก็มีฉันส่วนในอรูป์ภพก็คือพวกอาการสารัญญายศนภูมิวิญญาณัญญายศนภูมิอาทิวิญญายศนภูมิแล้วก็นวะฉันญานาฉัญญาลยศนภูมิฉะนั้น ชั้นราคาในรูปประกบคือความติดใจความเพืพิดเพลินในรูปประกบสิบหกแล้วก็ในอรูปประกอบสี่อันนั้นเป็นรูปปัตนหาและก็อรูปปัตนานทีนี้ท่านดรูอปัตนหาทั้งหมดไว้ในการปัตนหาทำทั้งปวงที่เป็นไปในภูมิทั้งสามชื่อว่าเป็นที่ตั้งของปัตนหาเพราะอะไว่า หน้าําหนักยินดีแล้วก็แสดงสัญหาสองอย่างออกเป็นปันหาเดินเขาบอกว่าทำทั้งหลายที่เป็นไปในภูมิสามทำที่เป็นไปในการระบมุมรู ป, ประบมุมรู ป, ประบมุปปะบมนั้นเป็นที่ตั้งของปัญหาแล้วก็บอกว่าฉันตะราค่ารูปปัญหาคือฉันตะราค่าในรูปประคบเขารียกลูปปัญหายินดีพอใจในรูปประคบ อันญราติคือความติดใจในอรูณประกบเรเรียกว่าอรูป์ตัณหาสัญชาติที่ประกอบกับอุเฉตพิธีชื่อว่านิโรธาตัณหาท่านก็อธิบายถึงอันนี้ก็มาแยกเป็นพิเศษออกมันประการต่อมาคือแสดงพิธิสักคายนาพิธีความเห็นเป็นตัวเป็นตนสองวิจิตรฉาความลังเลสงสัย สามสีรักษาปรามาสความถือมั่นศีลคดอันนี้เป็นสังโยนเนะที่อว่าสัโยชว่า็ถ้าร้อยลัทธูกพันไว้ในวัฏจัเนี่ยผู้ทธชนเนี่ยถูกสัโยชนสามประการเนี่ยมัดแน่นเลยให้ติดไว้ในในวัฏจักวัฏจกรก็มีการติดไว้ในกรรมภูมิในรู ป, ปรภูมิในรู ป, ปรภูมิเนี่ย โดยมาดสัคกกยะที่สี่วิจิกิจฉาแล้วก็สี่รัปตารามาสเนี่จะร้อยลัดผูกไว้จะคําว่าสังโย่แต่แปล ว, ว่าร้อยครัดหรือผูกไว้เหมือนเชือกในที่นี้มนเชือกสามเส้นผูกมัดจากโลกเอาไว้สำหรับบุคคลที่ยังไม่ได้เป็นพาาระอริยนี่เนี่ยก็จะถูกประการแรกคือสัคกกยะทิ่สีวความเห็นในกายเช่นรูปเป็นต้นว่ามีอยู่ ความเห็นในกายอันมีอยู่ดังนี้ชื่อว่าสักกายิที่สักกายะที่ขีดใความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเช่นเห็นรูปเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเห็นเป็นตัวเป็นตนเนี่ยถามเห็นยังไงเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวเป็นตนคือถ้าอย่างเราท่านทั้งหลายเนี่ยนะถามว่า มี่สักกายพิธีไหมเป็นไหมยึดมั่นอะไรยึดมั่นรูปเวทนาสัญญาสังขาวิญญาณว่ารูปเป็นเราเราเป็นรูปเป็นต้นเราเนี่ยนะเวทนาเป็นเราเราเป็นเวทนาสัญญาเป็นเราเราเป็นสัญญาสังขาเป็นเราเราเป็นเป็นต้นเป็นเป็นทั้งลักษณะอย่างนั้นก็เรียกว่าเป็นกลุ่มสักกายพิธี ฉันสะัยญาติทีเนี่ยในบรรดาบุรุชนทัท่วไปเนี่ยมีบนะฉันตราบใดที่ยังไม่ได้เป็นพระอริยะเนี่ยตัวสักยญยติทีนี้ก็จะลึงรักผูกมัดโทษส่วนวิธิกิจฉาถ้าแปลว่าความบางเลกความสงสัย วิจกิจฉาเนี่ยจริงๆมีพุทเทกังขติสงสัยในพระพุทธเจตนเนี่ยสงสัยในคุณของพระพุทธสงสัยในคุณของข้าตามสงสัยในคุณของปัญญาสงเวตนสงสัยคุณของพ่อแม่สงสัยพบเป็นต้นเนี่ย ย, ย่อมสงสัยคือไม่สามารถที่จะตกลงใจได้ว่าธรรมชาตอิอ น, นี้ธรรมชาติันั้นชื่อว่าวิจิกิจฉา ส่วนบุคคลผู้รูปคำยึดติดศีลด้วยวัดด้วยดังนั้นก็ชื่อว่าศีลพระจ่าปราโมทศีลพระาปราโมทเนี่ยยึดมั่นว่าข้อปริบัติอันนี้จะเป็นปัจจัยแห่งความพ้นทุกข์แต่เป็นการยึดมั่นในสิ่งที่ผิดสรุปตรงนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าจักกยานทิศขีมีวัตถุยี่สิบทิจารณาว่าเห็นว่ารูปเป็นตัวเป็นตน เวทนาเป็นตัวเป็นตนสัญญาเป็นตัวเป็นตนเป็นเท่านั้นลักษณะนี้เป็นสักกายทิคิส่วนความสงสยัยที่มีวัตถุกแถก่ตาก็คือสงสัยในภาษาสดาเคยอธิบายมาแล้วสงสัยในคุณสงสัยในสตริร่างคุณก็สงสัยในพุทธคุณ ถ้าสงสัยในสรีระคุณนี่เป็นไปได้ยังไงพระพุทธเจ้าประจักษ์ประดาด้วยมหมาปุ๋ยสลักขนาดแลว้วก็รูปัญชนะแปดสิทก็สงสัยเป็นไปได้เรือมนุษย์ธรรมดาเนี่ยเราไม่เคยเจอเลยอย่างนี้นะก็ตัางความสงสัยเพราะท่านเหล่านี้ไม่ได้ศึกษาให้ดีว่าคนที่จะเป็นพระพุทธเจ้านั้นเขทําอะไรมาก็สงสัยอันนี้สงสัยในสรีระคุณ <necessary. S 2> พระาสมาค ม, มสงสัยในพุทธคุณว่าอิทิพิโสพรวามีข้อเหตุนั้นวผู้มีประบ้านเจ้าพระองค์นั้นเป็นต้เลยเียนผู้ไกลเหตุกิเลสจริงหรือย่างนี้เป็นต้นเ้คนเราจะหมดกิเลสได้จริงหรือข้อปฏิบัติอันนี้จะเป็นปัจจัยเกิดัางมาเกดจริงหรือไม่ก็เนี่ยก็จะสงสัยในคุณของพระราชนาจายเป็นต้นเลนั้นเขาเรว่าสงสัยในวัตถุแปลกประการมีพุทธคุณเป็นตน ส่วนการยึดถืออย่างผิดปกติรูกคำยึดติดศีลลูกคําวัดลูกคําศีลพจนว่าหมดจดได้ด้วยศีลหมดจดได้ด้วยวัดหมดจดได้ศีลพจนที่ถี่ลักษณะอย่างนี้ก็รเรียกว่าศีลประสาทสามาคือบางทีพวกนี้เป็นพวกที่ยึดมั่นในด้านของการปฏิบัติผิด เ, เช่นปฏิบัติเยี่ยงโคเยี่ยงสุนัขเนี่ยเ้าก็คิดว่าเออกาปรปฏิบัติลักษณะอย่างนี้จะเป็นปัจจัยเขาพ้นจากทุกพ้นจาก สังสารว่าได้ด like like ้วยข้อปฏิบัติอย่างนี้เขาก็ถ like ือกันอย่างเคร่งขัดเลยเนี่ยอันนั้นเป็นสีลักษณตุปาองค์ทั้งคือตัวทิฏฐิทิยฐิที่จะมีข้อว่าปฏิบัติที่ไม่ตรงตามวิธีคําสอนแล้วก็เลยไปยืดปีถีว่าเนี่ยข้อเราจับบริสุทธิ์แล้วเข้าถึงความพ้นทุกได้ก็ด้วยอาการอย่างนี้ก็เขายืดกันไปซป็นอันนี้เราท่านต้องระวังว่า ถ้าไปยึมันในสิ่งที่มันไม่ใช่ขินมาเลยอันนี้ก็เป็นสีรักษาตุกต่อการต่อมาคือตโยอาสโวกามาสโวปวัสโววิชาสโวอาสวะสามกามาสวะอาสวาคุตการวัสวาอาสวะสุพุกแล้วก็เอาวิชาสวะอาสวาคืออวิชาตโยอาสวาเนี่ยอาสวะก็อาสวะเป็นฐานะที่อาศัยอยู่ช้างานบ้างเพราะอไหลไปทั่วบ้าง อาสวะในที่นี้ท่านให้ความหมายไว้สองประการเ น, นี่ยแกว่าฐานะที่อาศัยอยู่ช้างานบ้างเป็นฐานะที่อาศัยอยู่ชานาน้านั้นบอกว่าอาสวะคือการอาสวะคือภพอาสวะคือวิชาเนี่ยมันอาศัยอยู่ช้างานส่วนอีกสัทหนึ่งเ้าแกว่าไหลแกว่าไหลในยะแรกก่อน ที่บอกว่าตามสวะโดยความหมายเราเป็นฐานะที่อัยอยู่ช้างนานพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูกองพิสูจทั้งหลายเงื่อนต้นแห่งอักวิชาย่อมไม่ปรากฏว่าก่อนแต่นี้อักวิชามีได้ไหต่อมาภายหลังจริงได้มีดูก่องพิสูจทั้งหลายเงื่อนต้นแห่งภาวะปัญหาภาวะทิฏฐิย่อมไม่ปรากฏก็ก่อนแต่ก่อนนี้เพราะทิฏฐิได้มีต่อมาภายหลังจริงอันนี้ชี้เหตุว่า เป็นฐานะที่อาศัยวิชาดำคือบอกว่าเงื่อนต้นของอวิชชาจะไม่ปรากฏ ค, คือพิจารณาไปแล้วว่าอาวิชชาเนี่ยใช่ไหมหาเงื่อนต้นที่มันจุดแรกของอวิชชาที่เกิดขึ้นมาเนี่ยไม่มี <c oughs> ยิ่งมองไปหมุนอย่างนี้ยมันเป็นอย่างวงวัฏจักรเลยอนะย่งยกตัวอย่างเช่นว่า เราเกิดมาก็มีวิชาเป็นเครื่องกางกันมีตังหาเป็นตัวเป็นตัวประกอบไว้ทำให้เรากรเสดระสนไปตามภบน้อยอกใจญพระพุทธเจ้าเขาตรวจสอบรู้ว่าวิญญาณมานพอพิจารณาไปมันไม่มีจบมันตายเรื่อยๆมันไม่หยุดเช่นว่าชาตินี้เป็นมนุษย์ชาติหลังที่แล้วเป็นเทวดาหลังที่แล้วเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นเตศเป็นสุรกายเป็นจัตเจตฐานเป็นตัณหโลกมันก็หมุนกลับไปกลัมา ยิ่งพิจารณาไปมันก็ไม่มีโจบสึ้นเมื่อไีรเอาวิชาแนวดีก็เป็นตัวผลักแทาบอกว่าไม่เงื่อนต้นในปรากฏหาต้นต้นเลยแต่แ ต, ตอนนี้เอาวิชานี้ได้ดีต่อมาภายหลังก็กินได้ดีแค่พอได้เห็ื่อได้ปัจจัยมันก็มีขึ้นมาแล้ววิชาเลย น, นั่นเป็นสภาพที่มันหไหลไง ถาว่าในภพไหนภุมไหนต้องที่ไม่เียวิชาไม่ดีเยเอาวิชาสวรรค์ตามาสวะ แ, แล้วก็เกี่ยวกับตัณหาแล้วก็วิชาเนี่ยมีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าไหลไปทัว่วคําว่าไหลไปทั่วเนี่ยไหลไปในรูปไหลไปในรูปในทางตาในเสียงทางหูทางจิตทางจมูกทางรสทางลิ้นทางปวด ท, ทางธาตุทงกา ไหลไปทั่วไหลไปในธรรมารมณ์ทางใจไปสัวคืออย่างยกตัวอย่างเล ย, ย, ยว่าตาเห็นรูปธามารถวเพราะว่าวิชาถวมก็จะไหลใช่ไหมถ้าเราว่ะที่จริงตากับรูปเนี่ยมันไม่ใช่อวิชานะแต่มันไม่ใช่อาถวาเนี่ ย, ออยแต่เพะอาศัยตากับรูปเนี่ยกระทบแบนปุ๊บเนี่ยก็เลยเป็นปัจจัยเกิดธามาระวยินดีในขาวมือ สว่างเยินดีในภบอวิชชาสวะความหลงความไม่รู้จักว่าเป็นยิ่งใช่ไหมเพื่อบอกว่าตากับรูปไม่ใช่สัโยุคแต่เพราะสายตากับรูปเนี่ยไปมบทะทบกันเนี่ยเป็นปจัจจัยเกิดตัณหาตัวตัณหาที่เป็นตัวยินดีจะเป็นอาสวะมันก็นไหลามว่าถ้าตราบแตยังมีตามีรูป มีหูมีเสียงมีจมูกมีกลิ่นมีลิ้นมีรสมีกายมีสัมผัสมีใจแล้วมีการคิดเล็กเนี่ยอาสวะทั้งสามการอาสวะเมื่ออาสวะวิชาสวะมันก็ได้ช่องมันจะไหล่อนเ่มันก็ไหลอยู่ตลอดเลยะไหลไปเชื่อนนั้นตรงนี้พี่บอกว่าไหลไปทั่วไหลทั่วไปในรูปในตา คำถามาอว่าบางเรามีตาเยินดีในกาเห็นด so, so ีใจเพราะยินดีในตาเรี่อยินดีในรูปยินดีในหูยินดีในเสียงยินดีในกลิ่นยินดีในรถเป็นก็เหรอเนี่ยมันจะไหลไปงี้ฉะนั้นในขณะที่เราเห็นรูปเนี่ยถ้ากามาสวางเกิดก็ยินดีถ้าภาวะสว่างเกิดก็ภาวาสว่างเกิดนก็เห็นก็สว่างก็คือพบก็ยินดี ในภพเห็นว่าเที่ยงเป็นต้นหนึ่งถ้าอาวิชาสวะเกิดต้องไม่รู้ตามความเป็นจริงมันก็จะเป็นไปในลักษณะนีญญ้แต่ในพระบบาลีอาสวะมาสองอย่างคือทิฏฐมิการสวัสดิ์อาสาวะสดิ์ในภพนี้และสัมปรายิกาสวัสดิ์อาสวัสดิ์ในภพนั้คือในพระบาลีท่านจัด ส, สองประการกะจัดว่าอาสวะในพบนี้กับอาสวะในพบนะ้น กต่ว่าในภพนี้มีกามาสวะกวาดสวะเอาวิชาสวามี t. และนในภพนันมีด้วยอีกอย่างหนึ่งพุทธเจ้าตรัสว่าดูความพิสุดนทั้งหลายอาสวะสาอย่างกามาสวะกวาดสวาแล้วก็วิชาสวะในพิธามก็มีสี่สี่คืออะไรกามมาสวะ ภา ว, าวะทิฏธาสวะแล้วก็อวิชชาสวะท่านในพระวิตรามเพิ่มทิฏฐิขึ้นมาอีกหนึ่งเอาอาสวะคือทิฏฐิความเขียนผิดจะเป็นอาสวะเป็นเครื่องไหลเพราะท่านจะกล่าวไว้นะท่านในพระวิตรามท่านกล่าวไว้บอกว่าอาสวะนี่มันไหลไหลไปไหนบอก ไหลไปในทุกโภมต่างๆทุกโภมไหลด้วยกันเลยแม้ในในอารมณ์ภูมันไหลายวยทีในสุดท้าว่าโภูมอะไะว่าในทํางนู้นเขาไหลไปถึงโคตรระพูโคตรระพูจิตเนี่ยยังสามารถเป็นอารมณ์ของอาโวะได้ในนิพพติกาปริยนิสุตรมีห้าอย่างพิสุตรทั้งหลายอาสวัติยัง อาสวะที่ยังให้ถึงนรกมีอยู่หมักว่าอาสวะที่เป็นปัจจัยถึงนรกก็มีอาสวะที hey, ่เป็นปัจจัยให้ถึงําเนิดสัตยดาฉานก็มีอาสวะที Arc ่ให้ถึงความเป็นเปรตยุสัยก็นี้อาสวะที่ให้ถึงมนุษย์ก็มีอาสวะที่ให้ถึงเทวโลกก็มีสรุปแล้วว่าเคสปัจจัยที่ทําให้ไ้เกิดเป็นสัจนะโรกได้เกิดเป็นเปรต ไปเกิดเป็นสัจจะฉานไปเกิดเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นเทวดาข้าวอาร์วะตนี่เองที่ทําให้เข้าถึงฉะนั้นการจะเข้าไปเกิดเป็นสัตว์โลกได้อย่าเลยเป็นตัวขับเคลื่อนบอกอีกตัวอารวะนี่ไงกามาสวะกวาสวะอิทาสวะและอวิชชาวสวะนี่เองถ้าจะได้เกิดเป็นสัจจะฉานไปเกิดเป็นเปรหรือไปเป็นมนุษย์หรือ จะเป็นเทวดาทุกภพทุกชั้นอาสวะนี่เองเป็นตัวทำให้เกิดนั้นถ้าหากแหววเอาเนี่ยตัดอาสวะม่ขาดใช่ไหมเราก็นี่แหละแปลว่าการท่องเที่ยวไปในพบอปูมต่างๆมันเหมือนกับมันเหมือนกับการซื้อตัวเครื่องบินกันนันเหมือนกับมีเราจะมีตัวเครื่องบิน เพียงว่าเราจะปินไปไหนกเหมือนกันจะสำคัญมันจะมันจะลงต่ำในี้ต้องรังมันไม่ใสู่ฉนั้นอ า, าวะเนี่ยที่เป็นอ า, าวะที่ยังให้ถึงนรกมีอยู่อาสวะที่ยังให้ถึงที่ให้ถึงจัตุรัเรสารถึงเปรแล้วก็ถึงมนุษย์แล้วก็ถึงเทวโลกก็ีกรอาสวะสำคัญนั่นเป็นอาตวะข ส่วนในชาการที่บาในอในัุคนเยสุอันนี้ตราบได้หกอย่างคืออาสวะที่ถึงลักได้โดยการคำรวมระวังมีอยู่อาสวะที่ถึงลักได้โดยการคบหาในมีอยู่อาสวะที่ถึงรักได้โดยการเว้นรอบก็มีอยู่อาสวะที่ถึงลักได้โดยคามอดกลั้นอาสวะที่ถึงรักได้โดยการบร ร, ร, ร, ร, ร, รรเทา อาสวะที่ละได้โดยการอบรมนี่อาสวะหกอันนี้ในเก่าในยสุในชกษษษษนดัดิบาะอาสวะที่พึงลาะได้โดยการสํารวมระวังอนนั้นเป็การการมีสติสังวรระวังไม่ให้อาสวะทั้งหลายเกิดขึ้นต่างๆลางหัวจมหรืออาสวะที่พึงลงได้โดยการครบห ก็หมายความว่าการเสดการโคบหายอาสวะที่พึงละได้โดยการเว้นอะไรที่จะเป็นปัจจัยจะเป็นโทษเขาเว้อาสวะที่ละได้โดยการอดกั้นอันนั้นมาในขันติอาสวะที่พึงละได้โดยการบรรเทาด้วยการอบรมวิโตอันนี้หกประกันอาสวะสามอย่างราคะที่ประกอบด้วยเป็นเจริญภูอันนั้นเป็นกา ม, มาสะวะ ส่วราคาที่ประกอบด้วยสามสถานพิธีเป็นต้นนั้นจะเป็นขวาสะวะอวิชชาความไม่รู้ในทุกไม่รู้ทุกขสมูทุทัยไม่รู้ในทุกขานิโรธไม่รู้ในทุกขานิโรธถามารมีปีติปัญหาก็อันนั้นเป็นอวิชชาสะวะเลนี่เป็นยิ่งประการต่อมาก็คือพูดถึงในเรื่องของพบการมาพบพบที่เป็นการมอวจร รูปภพภพที่เป็นรูปาวจรระปภพภพที่เป็นอรูปาวจรการมาภพก็คือในการมาภูมิสิบเอ็ดเนี่ยอบายภูมิสี่มนุษย์หนึ่งสวรรค์อีกหกชั้นอันนี้ก็เข้ามเที่ยวกันหน่อยจนรูปภูมิรูปภะถ้เป็นรูปาวจรก็รูปภูมิสิบหกชั้นก็ที่กล่าวสักพูดมี พอสมชายภูมิสามเป็นต้นนาเราพกบพบที่เป็นารูปวาวจรพบทั้งหมดจำเนียรสามสิเ็ดภูมิสามเ็ดภูมิเนี่ยจะไปได้ต้ามีเอกปัจจัยนท่องได้ก็ไม่ได้จะไปได้าีไม่ต้องไม่ต้องจำไม่ต้องท่องได้แต่มีโอกาสไปอย่างในใบภูมิไม่ต้องจำาอ้ ไม่จำเขาก็จะให้เราไปอยู่เลยในถ้าท่องได้แล้วไปได้สบายสบายจริงมันไม่ท่องได้อังไปยากเพราะจะไปได้แล้วก็อาศัยเหตุปัจจัยนะต้องอาศัยเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยางที่นั้นก็คือการอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าอจะไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นตนเหล่านี้อันนี้ก็ต้อง สี่หกุศลกรรมบทเป็นต้นอะไรเน่ยอันนี้ก็ต้องต้องชัดเจนเลยมีลักษณะย่างนี้เขาเรียกว่าพกกรรมะพบรูปะพบและรูปะพบเขาบอกว่ากรรมะพบเนี่ยพกของสัธว์คู่สวยกรรมะคุณหมายความว่าอารมณ์ใดสี 4.5 ได้แก่อบายภูมิสี่มนุษย์ 1. และสวรรค์หกชั้นนั่นคือได้กล่าว ในการมาพบเนี่ยภูมิที่อยู่ของสัตรูโก ร, รกบ้างอสุรกายบ้างเปรตบ้างอสุรศัจจิราฉานบ้างมนุษย์และเทวดาซึ่งเป็นภพที่มีการสวยการมาคุณอารมณ์ห้าด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้านในการมาพบเนี่ยเขาเวลาก็จะสวยการมาคุณก็คือทางตารหูจมูกจมื่นทางกายอย่างพวกเราใชยไหมเปสวยการมาคุณแทนก็เอ้ยเดีขามองอะไรสวยๆมันไปชื่อใจงงเนี่ยเทวดาน่ะตอเรา ก็จะหาสิ่งที่มองดสวยๆกันคือคือเขามองแล้วเขาจะเคลื่นใจแล้วเทวดาเนี่ยเขาเขาสัมผัสการมกุลเขาเบากว่ามนุษย์มากมนุษย์เนี่บางทีต้องกินต้องบริโภคต้องอะไรต่างๆลงไปใช่หมหรือไม่อย่างนั้นก็ต้องติดอาบน้าไปแะไรต่างเลยนี่สวยการมกุลของของของมนุษย์ถ้าเทวดาเนี่ยเขาเขาคิดเอาแค่นั้นแค่บ๊บบาโก๊บเนี่ยนะ แค่เขาคิดพวกเนี่ยมันก็สำเร็จแหละคือร่างกายเ็าเขาเบามากเลนร่างกายกเ็าละเอียดมากเข้าเวาเมื่อกีเอาอะไรมาทาแล้วทาอีกมันยังไม่เลยสุกมันหนามัน ม, มันไม่เบาแค่ในในมนุษย์โลกเนี่ยรู้สึกว่าบางถ้ายิ่ง ที่เยืยุมากขึ้นนี่ตาสัมผัสเริ่มจะรับอะไรไม่ค่อยได้นี่การสวยกรรมคุณก็เริ่มยากขึ้นเริ่มยากขึ้นต้องพยายามประดิษฐ์ประดอยใช่ครับเพราะว่ามันตามันมันเสื่อมใช่ไหมถ้าตาเสื่อมแล้วเนี่ยโอ้โหเล่นลำบากเลยต้องพยายามเอาลูกมาดู ใ, ใกล้ๆ เ, เล่นการถ้าหูเสื่อมแล้ววันก่อนเนี่ยนี่ลงกาที่ แต่งงไม่ได้ดเยเเมื่อวานนี่คนเล่าว่าที่เสียงใครมาเปิดเครื่องขยายเสียงคือเสียงดังลัง่นเต็มทั่ววัดเลยถา้าถามเพระกันบอกว่าลูกทาเปิดข่าวฟังคจะเปิดข่าวฟัง ด, ดังทั่ววัดเลยแกไม่ได้ดแกคงคิดควด่าแกเปิดบบช่ คอยมีใครว่าแกปล่อยแกวันนี้เงียบเลยถ้าเปิดวันนี้ต้องใส่เทศจะไม่ได้ยินแน่เนียดีวันนี้จะไม่เปิดเนี่ยเพราะว่าประษาสัมผัสรับกามคุณได้น้อยมันเป็นอย่างนี้แหละกามคุณไม่เสื่อมไอ้ไอ้กามาคุณไปนอกไม่เสื่อมไอ้กามคุณไปไหนก็เสื่อมบางคนบางบางคนเขาจะโมกี่ดอมกลิ่นไม่ไม่ได้ไม่ได้กลิ่น นี่จะบ่งบอกว่ามันมันเสื่อมถ้ายิงอายุมากขึ้นเนี่ยคนที่จะ บ, บ่นกันที่สุดคือกินอะไรแม่่อกินอะไรแม่อย่ <c oughs> อ, อยกินไม่ได้ <c oughs> นักข่าวนักาว่าเดี๋ยวว่าจะกินแม่อร่อยเลยต่อไปกินไม่ได้มีเสิ่อองอมตะไว้งไงกินไม่ได้มีโยมคนหนึ่งนเนี่ยตายแล้ว แค่บอกสมัยที่ตอนตอนอายุแกยังไม่มากเนะ น, นี่ยนิ้วอยากกินนุ่งอยากกินนี่พอต่อมากแกแ่แล้ว ล, ล, ลูวลกหลานตอนแกป่วยลูกหลานเอาของมาให้เป็นเป็นบ้านเป็นทวกอย่างกินไม่ได้เก็มั้งใจก็อยากไปกินแต่กินไม่ได้รู้เวรกรรมเลยแกก็บก็ตายเลยเนี่ยเขาเรียกว่า ในการมาพบฉะนั้นในการมาพบเนี่ยพบที่อยู่ของสัตว์นรกบ้างอธธรรสุรกายเตษสะเจริญฌานหรือมนุษย์เทวดาเนี่ยซึ่งเป็นพบที่มีการสรุปให้ตามบุคุณค่าเพื่อต่อสัตว์สมหาทั้งห้าคือต่าตาริ้นบุ๋มริ้นกายแม้ว่าในมนุษย์เทวดามีการเจริญฌานรูกประจานโรูประจานบ้างแต่เป็นส่วนนอ้อย ส่วนในรูปภพนี่นะภูมิที่อยู่ด้วยจักผู้สําเร็จได้ฌานเนี่ยหรือพวกรูปภพเนี่ยกลุ่มพวกนี้มีการเจริญรูปประชานรูปอพทุกท่านเนี่ยล้วนแต่ได้ทานกันมาทช่ไหมฉะนั้นถึงแม้ว่าเขาจะมีการรับรูปเสียงกีรติรับสัมผัสบ้างเนี่ยแต่ก็ไม่เต็นไปกับการมัจนาว่ามีการข่มการไม่สนทัพพยาบ่าวเป็นต้นไว้ได้ พวกพรหมเนี่ยถามแล้ก็สามารถเห็นรูปได้ไหมได้ยืนเสียงได้ไหมได้แต่เขาไม่มีการมาเหนได้เขาไม่มีการเขาข่มได้เขาข่มโทสศัพท์ได้เลยมีกลุ่มพวกนี้เป็นสัตว์ที่อยู่ด้วยรูปฌาส่วนอารมณ์ภพบพบที่อยู่ของพวกอา ร, รมณ์พรหมนี่ยเป็นผู้สําเร็จอรูป์ฌานเนี่ยไปอยู่ตรงนั้น กลุ่มสัตว์แบบนี้ไม่มีรูปร่างหไม่มีกายมีน้ำมาทำพิสูจน์ยังไงกร็ไม่ไอย่างเช่นอศิกาดาบทและอาราะดาบทเนี่ยซึ่งตอนที่พรงโภธเจ้จาชายสิทธาตัาเคยไปอาศัยอยู่แ ล, ล้วก็ไปเรียนศึกษานั้นกลุ่มบุคคลเหล่นี้ได้ชาร์จมาบัดไปเกิดในอรูปภูม อันนี้ไม่มีรูปร่างฉะนั้นการไม่มีรูปร่างเนี่ยถามว่าเราจะเิ็นคนควนายยังไงก็ไม่ใช่อสไซสัพยุตญามีอยู่มีทั้งสีส่ภู ม, มิภูมิหนึ่งชื่อาอาการสารัญญาเยชนะภูมิภูมิที่สองคือวิญญาญญายชนะภูมภูมิที่สามก็คืออาขินจัญญาเยชนะภูมภูมิที่สี่ก็มีว่ญญ า, าสัญญาณาสัญญาเยชนะภูมิเออ้มีอยู่และเยอะเยอะ อันนี้ไม่มีรูปมีแต่นามมีแต่ความคิดแต่ต้องไปได้โดยการเจรนะิญนรูปฌานเขาตรีว่าอันนั้ น, นถ้าเราไปเกิดแล้วนี่ก็เป็นความสุขประการต่อมาก็คือพูดถึงในเรื่องของติดโสเอสนาการเมสนาพเเวสนาแล้วก็ธรรมเจริญรรมะเจริเยสนากาเมสนาก็คือการแสวงหากรรม พเวยสนาการแสวงหาพบธรรมะปริเยสนารือการแสวงหาพระมรรคท่านก็อธิบายบอกว่าการแสวงหากรรมจะแสวงยังไงราคาที่แสวงหากรรมอันท่านกล่าวไว้อย่างนี้ว่าบรรดาเท่าเราทำเหล่านั้นการมเวสวามิอะไรคือกามไม่ฉันทนในการทั้งหลายความจมลงในการอันนี้เรียกว่ากามการแสวงหากรรมก็ทุกอย่าง การแสวงหารูปการแสวงหาเสียงหากลิ่นหารถหาเท้าขาการแสวงหาตาหาจมูกหาลิ้นหากายหาโผงหาคนหาการแสวงหาการเมอันนี้ก็เรื่การการมีศาสนาการแสวงหากรรมการแสวงหากรรมเนี่ยถ้าพูดถึงในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นตัวตั้งกันเลยใช่ไหมทุกคนก็แสวงหา สรุปในยกตัวอย่างเลี้แสวงหาเงนินทองบ้านที่อยู่อาศัยอะไรต่างๆเนี่ยนะย า, ะารกักษาโรคต่างๆนี่ก็คือสวายนาคสวง ห, งงวงหงาจะตั้งใจเพื่ออะไรก็แล้วแต่นะครัเราบอกว่าเรื่ อ, อยๆเนี่ยจชาตินี้เราจะต้องทํามาที่ไหสรุปก็คือสวายนาคนี่นี่ส่วนหนึ่งกิการในศนะ ส่วนราชาที่แสวงหาพภพพเวสนาคือในภบทั้งหลายอันนั้นเป็นการแสวงหาภพถ้าแสวงหาภพ บ, บางคนก็ปรารถนาเนยปรารถนาในกางอภูมิบ้างบางคนก็ปรารถนารูปภูมิบางคนก็ปรารถนาอรูปภูมิขึน้นในกลุ่มของบุคคลที่เขาแสวงหาภบเนี่ยเขาคิดว่าภพนี้จะเป็นที่หลบภัยของเขาได้ จนในกลุ่มที ALLY ่สว่างหนาการเขาคิดว the ่าหรือเมื่อเราได้ทรับย์สมบัติอย่างนี้หรือได้สิ่งของสิ่งนี้มาแล้วเนี่ยจะเป็นปัจจัยเขามีความสุขได้เขาก็จะสว่างหนานั่นนั้นก็ตั้งเป็นประเด็นส่วนกลุ่มตัว่างหนาพบโวยไม่ได้ละเราจะต้องหาความสุขได้จากการไปอยู่ในภพนั้นภพนี้กลุ่มนี้ก็เรียกว่าโวยจนนะส่วนกลุ่มที่สาม กคือว่าทิฏฐีที่สแสวงหาความจรกงให้รู้กันว่าเป็นทติแห่งทิฏฐีนั้นท่านกล่าวไว้ว่าบรรดาธรรมเหล่านั้นประมอกเจริญวิธรรมวจีเยสนาคืออะไรคือทิฏฐีความเห็นไปข้างทิฏฐีการยึดถือหือปกติตรงพวกนี้ก็สแสวงหาว่าโรคเที่ยงโรคไม่เทียงโรคมีที่สุดโรคไม่มีที่สุดเนี่ยจะถึงสัตว์ตายแล้วไม่เกิดบ้างสั ต, ตายแล้วจะไม่เกิดอีกอหาไม่ได้เป็ทนทุติบั้ง อันนี้เรียกว่าเป็นการแสวงหาครมจันอันนี้พรหมจัรย์์ายนอกนะเป็นพรหมจัรย์ภายนอกไม่ใช่ทิกขี่อย่างเดียวทั้งแม้กรรมที่มีความหมายอย่างเดียวกันก็จะเป็นเอสนาเช่นกันบรรดาเอสนากามเอสนาก็คือกามราฆายกรรมวจีกรรมโนกรรมเบนกุศล ที่มีความหมายอย่างเดียวกันเรียกว่าการเมสนาหมายก็าืว่าคําว่าการสวยหาก่าเนี่ยเน้นไปถึงกายกรรมวิธีกรรมโลกรรมเช่นการกระทําทางกายทางวาจายและทางใจที่เป็นอกุศลทั้งหมดจัดมาเป็นการเมสนาการเมสนะคือการสวงหนาก่าฉะนั้นในการที่สั่ว์กายทุจริสามวิธีทุจิริสี่มโนสุจริสามเนี่ยเรียกว่าสวยหนาก่ม ในขณะที่เกิดความโกรเกิดความโลภเกิดความหลงขึ้นมาเป็นต้นเหลนี้เป็นการเมตนาเป็นการมราค้าเป็นกายกรรมวิจีกมมรรมที่เป็นอมุสุในแท้ถ้าอย่างนี้เราพิจารณาอย่างนี้เกิดแค่ทุกวันเลยเยอะบาปอมุสุต่างๆมันเกิดขึ้นสแสดงที่นี่เราจะแสวงหวากรรมนี่มีแสวงหาบาปไม่นี้ ภ เ, เวินาก็คือว่ากายกรรมปฏิกรรมอันเป็นอกุศลที่มีความหมายอย่างเดียวเรียกว่วิสนาอันนี้เป็นว่ากายกรรมปฏิกรรมเนี่ยที่กระทําไปในการที่จะปราศนากภพบางทีเราทําชั่วเนี่ยแต่เวลวเราทำชั่วเนี่ยเขามีคนเขบอกว่าเดี๋ยวถ้าอย่างนี้จะเกิดเป็นเปล่เป็นป่ี่าเขาไป่กลัวเขาไม่ว กบคนเป็นอนี้รเนี่ย <Okay. S 1> เคยเคยบอกไม่บอกคนอื่นเราบอกพี่เ้เนี่ยจะไป็ําบาปมากไม่ดีกับเราบทีเราไปทาบาปเพื่อลูกไปทาบาปเพื่อมเีเพื่ออะไรเนี้ยแต่คนที่ไปทรมารมันคือเราเพราะฉะนั้นตายไม่รู้แล้วว่า <laughs> เราคิดเนี้ยในตายเราไม่รู้เราย้อนกลับแล้วปัจจุบันรู้เลยเวลาเจ็บในปัจจุบันนี่รู้เรู้เวลาเจ็บหรือเวลาไม่เจ็บก็รู้ในปัจจุบันเนื้อเวลาไปไหนนานก้นก็เป็นแบบนี้ไม่ใช่ไม่รู้กเตียังมันระลึกไม่ได้วัาทำอะไรมาเนี่ยเองทุกวันที่เราเจ็บเราทรมานเนี่ยใช่ไหมเราเจ็บเราทรมานในปัจจุบันเรารู้ไม่รู้แต่เรารู้ไหมว่าเราทำอะไรมาผมไม่ทราบ้วทำไมถึงรู้อ่ะ ฉะนั้นเวลาเราจะไปรับผลของการกระทํำมันก็เป็นแบบนี้มันก็เป็นแบบนี้นปนนแปลว่ามันรู้แต่ว่ามันไม่ทราบว่าทำอะไรมาเ mm hmm. ช่นเรามีความสุขเนี่ย mm hmm. ในปัจจุบันเนี่ยเราก็รู้แต่ถ้าถามผมว่าเออเหตอะไรเนาะเราเกิดมาเนี่นนยแณอุตสาหะเราทำกรรมอะไรมาเราจึงได้รับความสุขในปัจจุบนนันพวกนี้อันนี้ไม่ใช่ mm hmm. อันนี้ไม่ใช่ที่เป็น นีรัต น, น์ไหนนี้ก็เรียกว่าวจีกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมอันเป็นอกุศลที่มีความหมายอย่างนี้นอันนั้นเป็นตามนีน้ส่วนคําว่าพระเวทาเานาก็คืออันเป็นกุศลส่วนคำว่าจริีเยสนา ก็คือพิธีที่จนันทร์สบู่อย่างกิกรมบางทีการมาเป็นกุศลที่มีความหมายอย่างเดียวกันเขาเรียกววยความเฉลีิยธรรมะเฉลี่ยศาสนะอันนี้หมายความว่าพิธี น, นั่นเองนะพิธีบางคนที่สมาทานพิธีอยู่ด้วยวิชาพิธีเพราะไอ้พอพูดถึงในเรื่องของพิธีเนี่ยดูในพิธีสูตรเนะี่ย พระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าดูกรทิกสูตรทั้งหลายเทพและมนุษย์ทั้งหลา ย, ลลายถูกทิศที่สองจัาพวกเข้าของใจแล้วพวกหนึ่งติดล้าอยู่อีกพวกหนึ่งก็วิ่งเลยไปส่วนพวกที่มีตาจึมอ ง, ออองมองเห็นพระเจ้าว่าลักษณะของทิศที่นี้สองประการไงพวกที่ติดล้าอยู่กับพวกที่วิง่งเลยว แต่พวกที่มีตามีตาในที่นั้นหมายถึงมีปัญญาในมองเห็นแล้วมาบอกว่าพิชิตทั้งหลายพวกหนึ่งติดล้าอยู่เป็นอย่างไรก็คือว่าเทพและมนุษย์ทั้งหลายเป็นคู่มีคบเป็นที่ยินดี น, นี่ภ า, ามารื่นลมในคบบันเทิงในคบเมื่อแตถาเขแสดงธรรมเพื่อความดับแห่งคบหมายถึงแสดงนิโรธนี่ จิตกรเทพแล้วมนุษย์ตัวนั้นก็ย่อมไม่แรนไปไม่เรื่องใสไม่ตั้งแนวไม่แนวแน่ลงไม่น้อมดิ่งลงไปพวกนี้ติดล้าอยู่อย่างนี้คือคือพวกที่ยินดีเพื่อเพินในทบเช่นถ้าเป็นมนุษย์ก็หูชื่ใในใจในความเป็นมนุษย์ถ้าเป็นเทวดาก็ยินดีพอใจในความเป็นเทวดาพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาใโลกพระพุทธเจ้ากแสดงโทษใช่ไหมบอกว่า ขันเนี่ยมันเป็นภาระมันเป็นของหนักมันเป็นสิ่งที่จําจะต้องบริหารต้องดูแลต้องรักษาต้องปกป้องต้องหมงแล้วมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาควรจะเบื่อนายควรจะคลายต้องหนักพุทธเจ้าเพราะว่าสอนไปนเสร็จไม่ติดติดกับขันอย่างเงี้ยฟังไปก็หลุดหมดมีพวกนี้สอนอยังไงก็ติดอยู่เนี้ยถึงไม่เลื่อมใส คือฟังแล้วก็ไม่แล่นใจไม่เลื่อนใจไม่ตั้งแน่วลงไม่น้องดิ้งอันนี้ติดอยู่อย่างนี้ในกลุ่มหนึ่งส่วนอีกกลุ่มหนึ่งพวกหนึ่งวิ่งเลยไปเป็นอย่างไรอีกพวกหนึ่งอึดอักละอาลังเกียจอยู่ด้วยพบจึงข้ามชื่นชมวิภพหรือจึงยินดีเสื่งวิภพความปราศจากภพเนี่ยนอรรถาถถ้อธิบายว่าอุเฉะท้านอยู่ก็แปลว่าขาดสูน ท่เอ่ยนะว่าหลังจากร่างกายแตกทําลายไปแล้วอาการนี้ก็ขาดสูญมาลายสึ้นนี่แหละคือภาวะสุดทั้งประเสริฐนี่แหละคือความดีเอ็นเยี่ยมนี่แหละคาวะะคามพิเศษของแท้พวกนี่วิ่งไปหมายความว่าพระพุทธเจ้าเราสอนให้พระพุทธปฏิบัตินี่แกเพื่อจะให้ค้นจากทุกถิประเภทนี้ใช่ไหมก็มาคิดว่าจะไปประพฤทธปฏิบัติ ท, ทันไหม ถึงเราไม่ต้องบ่วชปฏิปบัติมันก็ขาดมันก็สูดมันก็หายไปอยู่แล้วมันก็เหมือนกันกับว่าต้นไม้เผาเผาไปแล้วมันไม่เหลือเป็นเท่าเป็นทางคนเราตายไปแล้วมันไม่มีอะไรที่จะหลงเหลือไม่มีอะไรที่ไปสืบต่ออันนี้กลุมหนึ่งกลุ่มที่เลยไปไม่อีกเขาเรียกว่าวิ่งเลย้ะไม่ได้สืบอยู่ในพ่อมันวิ่งแมันมีสองกลุ่มนี่นะกลุมติดอยู่ในพ่อกับกลุ่มไม่วิ่งเลยก้น ไอ้กลุ่มที่ติดอยู่ในภพนี้กลุ่มนี้เป็นพวกเห็นเมื่อเที่ยงไอ้กลุ่มที่วิง่งลอยไปวกนีเห็นว่าขาดศูตร์ฉะนั้นฟัาางทางยังไงก็ก็ไม่ออกเกิดพบอย่างทิฏทีพสูนังหวะพวกที่มีตามองเหน็นยังนะพิสูจน์นพระธรรมวินัยนี้ย่อมมองเหน็นสัมผัพบผู้ตกเพระถ้วาัววาวาานท่าเนี่ยเห็นขานทาไหม เห็นรูปอ า, านารเวร น, นาขันตัญญาขัสงหารขันโดยความกระคาบ 5, 6, คือเห็นตามสภาวะที่เป็นจริงขันเห็นตามความเป็นจริงแล้วย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อหายติดคือปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายเมื่อปฏิบัติเพื่อเบือหน่ายก็ย่อมละย่อมเกิดวิราขคือความคลายกำหนัดแล้วก็เกิดนิโรทลักษณะอย่างนี้เขาเรียกพวกที่มีตาที่มองเห็นอันนี้ก็มาแยกแยะนะว่าเออ เราจะเป็นพักษะอย่างไรเราจะเป็นกลุ่มที่ว่าติดอยู่ในภพติดล้าอยู่ในะ่ไหติดข้องอยู่ในภกหรือวิ่งเลยกลุ่มที่เลยกลุ่มที่วิ่งเลยเขาบอกว่าดูก่พิสิจนุทั้งหลายบอกว่าเทศและมนุษย์ทั้งหลายสู่พิธีสองาำพวกเข้าทองใจ พวกติดล้าอยู่กับพวกที่วิ่งเลยไปสฉันพวกที่มีตาดีก็มองเห็นเราพวกไหนดีนพวกติดล้าอยู่หรือวิ่งเลยเหมหรือว่ามีตาดีเราว่ตาดีใช่ไหม เ, เราพยายเอาดีๆนะแต่มมองไม่ค่อยเห็นมองไม่ค่อยมองไม่ค่อย ผู้ใดเห็นสภาพการบามเป็นจริงเห็นสถาวะที่ล่วงพนสภาวักอกผู้นั้นย่ำน้องใจจริงไปในภาวะที่เป็นจริงและก็สิ้นพกตัณหารู้สภาพการบามเป็นจริงก็ปราศจากตัณหาเป็นต้นได้พระพุทธเจ้าตรัสในเรื่องของตัณหาและทิฏฐิพวกคู่กันไปและมีงานใสกันใจในลักษณะอย่างนี้คือต้องการให้ละทิฏฐิผิดนั่นเอง ในในสูตรที่ที่พูดถึงในเรื่องของการสวยังขาเป็นต้นเ้ยฉะนั้นในเรื่องของธรรมาจริยร า, รามธรรมจริยศนาติ่งก็แปลว่าทิฏฐิที่ยึดถือจนสะเกียยึดถือกายกรรมวิจีกรรมมโนโกรรมที่เป็นอกศุศลที่มีความหมายอั่งที่ได้กล่าวมาเนี่ยัวทิฏฐิเหล่านี้ เป็นพวกสัตตักพิธีบ้างเป็นอุเชตัดพิธีบ้างนี่มันก็ตึงถ้าเราตาเราไม่ดีเราก็มองคําว่าตาในที่นั้นเป็นชื่อของปัญญาจับของอุตปาทิจจับขุคือตายเกิดขึ้นแล้วที่จริงตาของพวกเราก็มีใช่ไหมในสายตาของพระเจ้าเนี่ยท่านพูดท่านพูดนะว่าท่านบอกว่าตาของพวกเราไม่ดีคือมองเห็นคนไม่ยอมเป็นคนอยู่ใช่ไหม คือมองพุกก็เปน็นนี่อ้นี้พ่อเราแม่เราพี่เร า, เราน้องเราจะมองเห็นนี่นี่เพื่อนเรามองรักษณ่ไหอย่างเงี้ยอันนี้ก็เรียกคนกามไม่ดีคนกามไม่ดีก็จะมองเห็นอย่างเงี้ยมองเห็นซึ่งมันเป็นส ม, มุดบันทึกแต่แต่ว่าไม่ใช่ว่าถ้าเราไป ม, มองเห็นตามความ่จริงนะเราจะละเอยในกา ร, รบูรพติปัตย์ัม่ใช่ไม่ใ ช, ใช่อันนี้พ่อไม่ใช่เราขันท่า <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นไม่ไม่มันไม่ใช่อย่างเนี้ยเแต่เรารู้ว่าเออคันคันเนี้ยสมมุติว่าเป็นพ่อคันคันี้สมมุติว่าเป็นสามีเป็นภรรยาหรือยังมันก็ไม่เข้าไปยึดติดถ้าอย่างนนโอ้ยึดยึดแรงมากบางคนปวดหัวเป็นโรคประสาทเลยเรื่องขันเนี้ยค่ากันคายอะไรเยอะ สถานี้มันจะเป็นอื่นไปโอ้ไม่เอาแลดิจการจะ่นี้โอ้ แ, แล้วรุนแรงนะลุกลามไปถึงถึงเด็กถึงย่อยชนถึงอะไรกันเนี่ยนี่คือไม่ไม่ไม่ศึกษาคำตอบคือยืดเยอะมากแต่ก็ยืดแค่เดียวพอไม่ได้อย่างนี้ยืดไปจิตเราก็เปลี่ยนแต่พอยืดขึ้นมาก็ไปวันนี้แต่แต่อย่างมันกก ย, ยืดระยะเดียวนี้ยพอกาลนั้เนเริ่มแปลเปลี่ยนไปเริ่ม่ไปเยอะ คำประการ ต, ต่อมาก็คือความถือตัวมาจากควาว่าติดโสวิทาเสโยอหามัสมีติวิทาสติโสหามัสมีติวิธานีโนหามัสมีติวิท า, มมาแล้วก็ความถือตัวมันอยู่สามอย่างเสโยอหามัสมีติวิทาขื่อตัวเราเป็นผู้เลื่กว่าเขามีประการแรก ตการที่สองสัตทิโสธรรมสมาติวิถาถือตัวเราเป็นผู้เสมอครับนะครับสามัญีโนธรรมสมาติวิถาถือตัวเราเป็นผู้ด้อยกว่าเขาถือตัวว่าเป็นผู้เลื่อนตัวเขาถือตัวว่าเราเป็นผู้เสมอเขาถือตัวว่าเราเป็นผู้ด้อยกว่าเขาคือมานะนีะน่มานะมานะเนี่ย ก็แปลว่าความผิดตัวแต่มาณาทางโลกเองเขามาักเอาไปสอนกันเขาสอนเออตรงมีมาณเนี่ยที่จริงตรงนี้คือมาณก้าวไปในที่นี้มาสอนสามพราะอยู่ในหมวดสามการตั้งไว้ซึ่งอาการบัณฑิตกล่าวทุกคนมีสีหรือว่าเป็นอย่างไรกล่าวทุกคนมีปัญญ า, ปญญาเป็นมอน่างนี้เวิทาวิถา ส่วนก็ชื่อว่าวิทาในเช่นประโยคยาหนวัตถุโดยหนึ่งส่วนยานวัตถุโดยสองส่วนมานะชื่อวิทาในเช่นในประโยควิทามานะว่าเราเดิววิทาในที่นี้เป็นชื่อของมานะมุ่งหมายวิทาที่แปลว่ามานะมานะก็แปลว่าตัววิธาในแปลว่าปัญญากเป็นในที่นี้แปลว่ามานะ มานะท่านเรียกวิทาพระจัดแจงด้วยอหน้าที่ถือว่าดีกว่าเขาอีกเราไปพูดเลิศกว่าเขาเราไปพูดเสมอเขาเราไปพูดต่อยกว่าเขาลักษณะเข้ามานะสามประการคือดีกว่าเขาเสมือนเขาแล้วก็เลีเเ้ยวกว่าเขาทีนี้ในมานะเก้าในเยกแยกเป็นเก้าได้เช่นเป็นผููเล็กกว่าเขาต้องการตัวเวอเล็กกว่าเขา เป็นผู้เลื่อัวเขาต้องคันตัวว่าเสมอเขาเป็นผู้เลื่อัวเขาต้องคันตัวว่าเลวกว่าเขาดิในข้อเดียวแยกออกเป็นสามข้อที่สองก็เป็นผู้เสมอเขาต้องคันว่าเลิกกว่าเขาเป็นผู้เสมอเขาต้องคันว่าเสมอเขาเป็นผู้เสมอเขาต้องคันตัวว่าเลวกว่าเขาเป็นผู้ด้อยกว่าเขาต้องคันตัวว่าเลิกอนตัวเขาเป็นผู้ด้อยตัวเขาต้องคันว่าเสมอเขาเป็นผู้ด้อยตัวเขาต้องคันตัวว่าใช่าเขาเออใช่ ทั้งคันที่ตัวเด่นเป็นผู้ ด, ด้อยแล้วทัวคัญก็ด้อ ย, ยเป็นมานั่งแล้วจะทำยังไงจะไม่ให้เด็กมันเขาบอกว่าสําหรับคนดีกว่าเขามานั้นว่าเราดีกว่าเขาเนี่ยโดยมากเกิดจากการโดยมากเกิดกับร า, าชากับบัณชิตนะัคนที่เป็นใหญ่ทั้งหลายคนที่เป็นข้าราช ก, การคนที่อะไรต่างโดยมากจะเกิดมานัา่งรูปสูงนี้ ทำอายกว่าเวราชาญเียกคือคนที่อยู่ในหน่วยงานกสูมหน่อยกับพระพรนียมีมานานเอเราดีมีศีลมากเรา่มันจะมาคิดนี้คิดว่าสำคัญก่อเลยไอคิดถูกด้วยนะไม่ได้ไถูกจะเป็นมาน้น่็น้าคิดเกิดกันในคิดเวลาชาเราเป็นเวลา พระราชายอดมีมานะคิดว่าใครหรือจะมาสู้เราได้ไม่ว่าจะทางราชานาเขตทางราชรักหรือทางไพฑูร์พนพานะพระราชาเขาเด็กคิดแบบนี้เดยมาสาม เ, เรื่องหนึ่งเรื่องอำนาจเราไม่มีใช่ไหมครัถ้าคนเป็นพระยาวิริยก็ต้องคิดแล้วโอประเทศไทยอาจาสมมติคิดโอ้โหใหญ่รองโอ้โหนะ สูงแยกว่าไป13ครั้งเหลือมันก็ไปกันไหถ้าคิดอย่างเงี้เหมือนนา่าลดแต่ถ้าคิดเนี่ยแต่ยังก็เหลือเยอะเลที่เหลือเหลือเยอะมาเวลาจานไปคิดคิดได้นอนาจิตอีกอย่างหนึ่งก็คิดว่าพระราชาทรัพยนะ์ทรัพย์ทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์เนี่ยโอ้โหไม่มีใครสู้ได้ในประเทศนั้ ใครที่ว่ารวยรวยระดับหนึ่งระดับสองอะไรต่วงๆมาเป็นศึกษป็นลาชาัแล้วอีกอย่างนีงก็คือเรื่องคราทสวัสดิการก็เอาประชากรทั้งประเทศเห็นใช่ไหมหกสิบประละ้าแล้วพวกเราถือเป็นคราทสวัสดิการของพระองคย่างนี้ก็เรียกว่าอันจะไม่มีมานาได้ยังไงถ้าใครไปยืนอยืนดูนะก็ต้องมีอันนี้เป็นเรื่องปกติอันนี้มานาของเราว่า ถ้าบันดาลชีพน่ะใครเลาาจะบรรางเกียเราได้ด้วยศีลคุณทุกองคุณไปต้แงะที่ยังเป็นปุถุชนอยู่นะศีลนะเนี่ยหรือจ้ารักษาสีนให้มีหน่อยก็เริ่มเริ่มมาน่าจ็บแ้วเกี่ยวกับแต่บันดาลชีพเลยคราวนี้ลองสมาทานศีลแต่สักเดืนนึงนะเข้านะเข้าเริ่มมองไปอึ่งที่นั่นนำอยู่แก่ช่วยแต่ก็ปวดงงมาน่าจ็บ รักษาดายแบบนี้เขาเรียกว่ามานะที่ว่าเป็นผู้เลิ่อเป็นผู้เลิ่อนเราเสำคัว่าเลยนี่แบบนี้ส่วนเราเสมอสําหรับคนสําหรับคนดีกว่าก็ย่อมเกิเรราาเกเดขึ้นแต่พระราชาเช่นกันคือเป็นผู้เสมอเขาสำกัญตัวพระราชาย่อมมีมานะบอกว่าอะไรที่จะมาแตกต่างกันระหว่างเรากับราชาอยู่คือตรราชาที่ว่า ยกตัวอย่างเช่นกอนนี้พระเจ้าจเป็นเรสองเมืองใครก็อยาก่ะไม่ต่างกันเป็นประหาดใจนี่นี่มานะเป็นผู้เสมอเท่าประหลาดใจว่าเสมอเท่าประหาดใก็มีควางที่ว่าอะไรที่จะมาแตกต่างกั น, กนระหวา่างพระราชาจอื่ไม่ว่าจะทางอาาเขตไม่ว่าจะทางราชทักหรือทางไทคนพานะลักษณะยอย่างนี้ก็เรียกเสมอเท่าเป็นผู้เสมอเท่า ฝ่ายบรรพชิคที่มีมหน้ะในกลุ่มที่สอง่าเป็นผู้เสนอเขาคนใดรับษณนระหว่าเรากับภิกษุอื่นไม่ว่าจะโดยสินคุณหรือทุต ด, ดงคุณเป็นต้นตหลเนี้เพิ่มันเสมอนะอ่ยเราก็สินสองรอยี่สิบเจ็ดข้อเพื่อท่านพว่นั้นก็สิสองร้อยี่สบเจ็ดราก็ถึงทุตดงทวาใช่ไหมการอยู่ป่าเป็นวัดการถือพรรังสุคุณเป็นวัดการเป็นต้นแบบนี้ถ้าเด็กนี้ปฏิบัต ส่วนมานณว่าเราเลวกว่าเขาสาหรับคนดีกว่าเขาก็ย่อมเกิดขึ้นได้ในพระราชาและบรรพชิดเช่นกันบอกว่าในข้อที่สามก็เกิดละบอกว่าพระราชาองค์ใดมีราชนาเขตราชท้าปุถายคนเป็นต้นไม่สมบูรณ์มากนะพระราชาองค์นั้นก็มีมานะว่าเขาสาปแชรเรียกว่าเราว่าพระราชาอย่างนั้นเองอย่างเราหรือจิวลาชาเขาคิดว่าเขบอกว่า ถ้ยังประเทศที่ใหญ่ๆอย่างเช่นมาฮาม่านเวลาไปประเทศไหนที่เล็กๆแม้มาลาการ์ถึงเป็นมาลากาในประเทศเล็กๆก็เกรจใจไปเทียบไม่ได้ความรู้สึกก็ผิดรักตัวเองเขาเป็นผู้ด้อยกองเขาก็สสำคัญตัวว่านุง้อยคาถาะไรกล่าวติไปไปเจอพระธรรมกัคคือ พระภูสูตรพระมหาธีละก็สำคัญตัวโดยโอู๋ไม่สู้ไม่ได้รักษาแรงย่งอีกครับทีนี้พอไปกลุ่มอำมาตย์ข้าราชการก็มีมานะว่าข้าราชการอีกอื่นใครจะมาสู้เราได้ไม่ว่าจะเป็นพวกข้าศาึกทางทางนันเป็นตก็ คือถ้าเป็นพวกข้าราชการมันต้องดูไปที่สีที่ขั้นใช่ไหมถ้าใครสีสขขูงหน่อยเขาก็ยันเรามีมาร้านเลยสันจับพวกยัญญนเลยอันนี้อันนี้ก็ต้ อ, นนต อ, องถามคนที่เขาเป็น